ในแง่บุคคลใครทำกรรมคือเป็นเจ้าของเจตนาก็เสวยผลของกรรมคือผลของเจตนานั้นตรงนี้เห็นได้ว่าเฉพาะตัวน้ำในแก้วน้ำใบนีใบน้ใส่สีแดงลงไปน้ำในแก้ว น, น้ำใบนี้ก็มีสีแดงในใบโน้นใส่สีเขียวก็มีสีเขียวในใบโน้นของใครของมันทีนี้มองกว้างออกไป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 เพื่อหักล้างระบบวันณะของพราหมณ์พราหมีลัทธิว่าพระพรมทรงสร้างโลกและจัดสรรทุกอย่างมาเสร็จสำหรับสังคมมนุษย์ทรงกำหนดให้คนแยกเป็นสี่วันณนะคือกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรอย่างที่รู้กันเกิดมาในวันณะไหนก็ต้องอยู่ในวันณะนั้นจนตายเปลี่ยนแปลงไม่ได้พระพุทธเจ้าทรงคัดค้านลทัทธิพราหมณ์นั้นโดยตรัสว่า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 เป็นไปตามกรรมคือโลกไม่ใช่เป็นไปตามที่พระผมสร้างและไม่ใช่ว่ากาหนดมาให้เป็นอย่างไรก็เป็นอยู่อย่างนั้นตายตัวโลกหรือสังคมนี้เป็นไปตามกรรมคือการกระทำเช่นการงานอาชีพที่คนมีเจเจํำนงเลือกประกอบหรือจัดทำพุทธพจน์ในวาเสตสูตรตรงนี้ได้ยกมาอ้างบ่อย แต่เป็นการอ้างอิงเพื่ออธิบายในต่างแง่ความหมายหรือไม่ก็เป็นการเน้นยำ้ำข อ, อนํามาแสดงณที่นี้ด้วยดังนี้ดูกระวาเส ธ, ธะท่านจงรู้อย่างนี้ว่าในหมู่มนุษย์ผู้ใดอาศัยโครกร ก, กรรมเลี้ยงชีพผู้นั้นเป็นชาวนาม่ใช่พราหมณ์ผู้ใดเลี้ยงชีพด้วยศิลปะต่างๆผู้นั้นเป็นศิลปิน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 ผู้ใดปกครองบ้านเมืองผู้นั้นเป็นราชาหาใช่พราหมณ์ไม่เราเรียกคนที่ไม่มีกิเลสค้างใจไม่มีความถือมั่นว่าเป็นพราหมณ์คนไม่ใช่เป็นพราหมณ์เพราะชาติกําเนิดแต่เป็นพราหมณ์เพราะกรรมไม่เป็นพราหมณ์ก็เพราะกรรมเป็นชาวนาก็เพราะกรรมกรรมคือการงานอาชีพความประพฤติการดําเนินชีวิต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 สังคมปรากฏตัวและเป็นไปตามกรรมคือการงานกิจการอาชีพที่คนทำและวิถีชีวิตที่ดำเนินไปตามนั้นไม่ใช่เป็นวันณะตามชาติกำเนิดอย่างที่พราหมณ์บอกว่าพระพมกำหนดจัดสรรบรรดาลมาดังที่กล่าวแล้วว่าหลักกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักปฏิจจสมุปบาทและในบทที่สที่ว่าด้วยปฏิจจสมุปบาทที่ผ่านมาแล้วก็ได้อ้างอิงให้เห็นว่า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 พระพุทธเจ้าตรัสว่ามโนกรรมเป็นกรรมที่มีผลยิ่งใหญ่ที่สุดและในมโนกรรมนั้นที่เด่นทรงเน้นมากคือทิฏฐิอันได้แก่แนวคิดทฤษฎีความเชื่อลัทธิาศาสนาและอุดมการทั้งหลายจากเจ้าลัทธิเจ้าทฤษฎีเป็นต้นที่สั่งสอนเผยแพร่มีคนเชื่อถือเห็นตามยอมรับสมาทานเอาไปปฏิบัต ขยายออกไปขยายออกไปสามารถบันดาลให้เกิดเหตุการณ์และความเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่เป็นกันมามากมายเห็นได้ชัดว่ามูชนไม่ว่าระดับไหนถูกขับเคลื่อนด้วยแนวคิดความเชื่อจนกระทั่งเป็นอารยธรรมก็มีทิฏฐิเป็นตัวขับเคลื่อนอยู่เบื้องหลังแล้วสังคมมนุษย์ก็ได้รับผลดีผลร้ายไปตามมโนกรรมที่สมท า, านกันนั้นทั้งที่ทิฏฐิเป็นมโนกรรมอยู่ในใจ แต่มีอิทธิพลต่อสังคมแสดงผลต่อโลกนี้ยิ่งใหญ่ที่สุดดังที่อาจจะอ้างพุทธพจน์ว่าภิกษุทั้งหลายเอกบุคคลเมื่อเกิดขึ้นในโลกย่อมเกิดขึ้นเพื่อไม่เกื้อกูลไม่เป็นความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความพินาศมิใช่ประโยชน์เกิดขึ้นเพื่อความทุกข์แก่เทวะและมนุษย์ทั้งหลายคือเอกบุคคลอย่างไหน ได้แก่เอกบุคคลที่เป็นมิจฉาทิฐิมีทัศนวิปริตเขาพาพระหูชนออกไปจากสัตยธรรมแล้วให้ตั้งอยู่ในอสัตยธรรมภิกษุทั้งหลายเอกบุคคลนี้แลเมื่อเกิดขึ้นในโลกย่อมเกิดขึ้นเพื่อไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลไม่เป็นความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความพินาศมิใช่ประโยชน์เกิดขึ้นเพื่อความทุกข์แก่เทวะ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 เขาพาพระหูชนออกจากอาสัตธรรมแล้วให้ตั้งอยู่ในสัตยธรรมภิกษุทั้งหลายเอกบุคคลนี้แลเมื่อเกิดขึ้นในโลกย่อมเกิดขึ้นเพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่พระหูชนเพื่อประโยชน์สุขแก่เทวะและมนุษย์ทั้งหลายเพื่อให้สะดวกสําหรับคนทั่วไปอาจจะวัดผู้นําแนวคิดและเจ้ารัฐที่เป็นต้นนั้นด้วยผลการกระทํา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 พหุชนะสุขายะโลกานุกรรมปายะกล่าวคือเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่พระหุชนเพื่อความสุขของพระหุชนเพื่อเกื้อกการุณแก่ชาวโลกมองย้อนทวนความอีกครั้งหนึ่งว่ากรรมเป็นเรื่องของมนุษย์หรือพูดในถูกต้องกว่านั้นว่ากรรมนี่แหละเป็นของมนุษย์เรื่องของมนุษย์หรือสิ่งที่เป็นของมนุษย์ก็คือความคิด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 เราไม่ควรพูดอย่างนั้นเราพูดได้แต่ว่ากรรมของมนุษย์แล้วก็ไปแยกเอาว่าเป็นกรรมด้านบุคคลและเป็นกรรมด้านสังคมหรือกรรมที่ออกผลแก่บุคคลและกรรมที่ออกผลแพ่ขยายออกไปปรากฏเป็นสภาพของสังคมเมื่อมนุษย์มาอยู่ร่วมกันที่เรียกว่าเป็นสังคมเนื้อหาสาระความเป็นไปส่วนใหญ่ในสังคมนั้นก็คือการกระทาหรือกรรมของมนุษย์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 เฉพาะอย่างยิ่งในการจัดการระบบสมมติอันเป็นสาระของสังคมที่พวกเขาตั้งวางขึ้นพูดสันส้นๆว่าปัญญารู้ธรรมคือความจริงที่เป็นธรรมดาของธรรมชาติหรือกฎธรรมชาติแล้วเจตนาแห่งกรรมนิยามก็นำความรู้นั้นมาวินัยคือจัดตั้งวางกำหนดจัดสรรระบบสมมติของสังคมให้เป็นไปตามจำนงและได้รับผลเป็นไปตามขีดระดับของปัญญา และคุณภาพของจิตที่ประกอบเจตานานั้นนี่คือเข้าสู่การบรรจบประสานของระบบแห่งธรรมของธรรมชาติกับระบบแห่งวินัยต่อสมมติของมนุษย์เฉพาะ อ, อย่างยิ่งกรรมมณิยามกับสมมตินิยามกรรมของมนุษย์ที่เข้าถึงธรรมและวินัยนี่แหละจึงจะสร้างอารยธรรมที่แท้ให้แก่โลกได้คนกลุ่มหนึ่งอยู่ในตำแหน่งหน้าที่สาธารณะ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 หรือกรรมด้านบุคคลและกรรมด้านสังคมอยู่ตรงไหน